10. การปฏิบัติธรรมคล้ายขับรถบางเวลาก็ต้องเหยียบคันเร่งบางเวลาก็เหยียบเบรกวงเล็บเปิดสี่พฤศจิกายน 2549. จุดจุดนาที 26. สวงเล็บปิดสมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านสอนสมาธินะจิตใจเราสงบเช่นเราพุโทโธหรือหายใจพอจิตใจสงบแล้วมักขี้เกียจขี้คร้านเพราะมีความสุขท่านจะไล่ออกมาพิจารณากายหรือออกมาเจริญสติข้างนอกเนี่ย คนที่ติดในความสุขความสงบแล้วต้องออกมาทำงานนี่ไม่ชอบนะมันเหนื่อยคล้ายๆเรานอนมานานแล้วเลยขี้เกียจออกจากบ้านพอออกมาแล้วรู้สึกเหนื่อยมากรู้สึกร้อนมากแต่พอเราออกมาทำงานไปเรื่อยๆบางทีทำงานไปช่วงหนึ่งเพลินกับงานไม่ยอมพักแล้วคราวนี้เพลินกับงานครูบาอาจารย์ก็จะบอกไปเพิ่มสมรถะหน่อยช่วงนี้ทาความสงบบ้างพักบ้างให้จิตทางานทั้งวันทั้งคืนไม่ดีไม่มีแรง เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคล้ายๆขับรถนะบางเวลาก็ต้องเหยียบคันเร่งบางเวลาก็เหยียบเบรกขาที่เหยียบเบรกและเหยียบคันเร่งขาเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่เหยียบคันเร่งพร้อมกับเหยียบเบรกบางเวลาเราก็ต้องทําความสงบเข้ามาบางวันสงบมากแล้วก็ต้องออกมารู้กายรู้ใจฝืนมันมันไม่อยากดูมันไม่อยากรู้เพราะว่ามันไม่สบายสมถะเป็นที่พักผ่อนที่ดีนะไม่ใช่ไม่ดี บางคนที่ยินหลวงพ่อพูดเจริญสติในชีวิตประจำวันก็นึกว่าหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องทำสมถะเราทำเท่าที่เราทำได้บางคนทำเท่าไรมันก็ทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยไหว้พระสวดมนต์ก็ยังดีนะได้สมถะ น, นิดนิดหน่อยๆ